บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ทำจิตจวัดในภาคเช้าให้ทุกท่านเตรียมตัวนั่งคุกเขา่าระนมมือขึ้นเปิดหนังสือทมวัดสวดมนต์แปลไปที่หน้าสิบสามกล่าวคำบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน อิมินานสการเลณะพุทธ ha ังปูเจมะหาพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการละนี้ อกมินาสกาเลนะธามังมคพเจ้าทั้งหลายหอบุชาพระธรรมด้วยเครื่องสักละนิอิมินาสกาเลนะ สร้างขางปูดมาพาพเจ้าทั้งหลายหอบุชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสกาลานีอรหังสัมมาสัมพุทธ พระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอาาหารหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบพระองค์เองพูดทางพระขาวานตังอาพิษ ข้าพาเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้พูดผู้เบิกบานกราบบพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าคือสว่างส้าตั พระธรรมเป็นธรรมที่ผู้มีพระพากเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทางบางนามัสสามิอาภเจ้านามัสการพระธรรมกล่าวพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจา้าอือ สุปติปันโนภะขาวะโตว่ากัสสังโฆราโสสาโวพุทธมีพระพากเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขางนามามีทาพระเจ้า นมพระสงกราบพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าหันธรรมยังพุทธะภาควะโตบุพพาคานามกาลังกะโลมะเสนะโมตัดภาควะโต อ่อนนบนอมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาละหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลสามโพธัสตรัสตรัสรู้ชอบ โดยพระองค์เองนโมตตสาพระขาวโตขหอ น, นอบน้อมผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ น, นั้นอรหะโตซึ่งเป็นกกเลต สัมมาสามโพธิ์ตาสาตาจสรุชอบพระองค์เองนโมตัจสาพระขาวะโตหอยนอบน้อมอาภาเจ้าตาองนันะ อ า, หากกลหะโตจากกิเลสสามมาสมามโพธิจาระพระองค์เองอันธมยังพุทธาพิทุติงกะโรมาเส โยโสตทาคตพระตาถาตเจ้าพระองค์ใดอาลางเป็นผู้ใครจากกิเลสสัมมาสามพุทธโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง วิชาจารณาะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปด้วยดีโลกาวิทุเป็นผู้รู้โลกแจ่มแจ้งอนุต ตารปุริสถานะทีเป็นผู้สามาัคคกบุรุษควรฝึกได้อย่างไม่มียิ่งกว่าสาธาเทวะมนุษย์สานางเป็นครูและมนุษย์ ทั้งหลายพุทธโธเป็นผู้รู้พุทธผู้เบิกบานด้วยธรรมพระขาวาเป็นผู้ความจำเรินจำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโล ก, กังสะเทวีว สมาลังกสัพพามังคังสาสมมาณพระมันิงประชังสัตว์วมนูตสังสยามอภินสัชิกาตตวะปเวเทสีปราภูมิภะภาปราองใดได้ทรงธรรม ดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งเองแล้วทรงสอนโลกพร้อมทางเทวดามารปรมหมูสัตวพร้พอมทางสัมาณพรามณพร้อมทางเทวดาและมนุษย์โยธรรม เสสิพระภูมิพระภ า, ภาเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วอาทิกันและญาณังไหล่อในเบื้องตนมาเชกันและญาณังไหล่อในทรมกลาง ปาลิโยสานกันและญาณังในที่สุดสัทธังสัพพยัญนชนะงเกวละปริปุลนางปริสุทธังมัจจลิยังประกาเศเสสส่งประกาศพรหมจันร์คือแบบปฏิบัติ อันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมท้งอัถะพร้อมพยัญชนะตาหังพระขวานตังขยามิ้าพระเจ้าบูชายังยัพพะพราภูมิระพาคพระองค์นั้น ตามหาพะขาวันศิริสานามามิหาพระเจ้านอบน้อมพระพราภาคเจ้าพระองค์นานด้วยเสียนกล้ากราบพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้ากืน หันธรรมยังธรรมมาพิุติงกะโลมเซโ ย, ยโซสว่างตาธรรมโมตาธรรมนันไดเป็นสิ่งที่พระพุทธพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติิโกเป็นสิ่งศึกษาและปฏิบัติพึงด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งปฏิบัติได้และให้ผลกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่ง กาวกาผู้อื่นว่าท่านจง <มา S 1> ดูเถิดโอปานายโกที่ควรน้อมใส่ตัวป่าจ่าตังที่ตาโพวิอยูหีเป็นสิ่งได้เฉพาะตน ตามังทามังจะยามี้าป้าบุยอย่างยิ่งเะพอพระธรรมนั้นตามังนามามีา้าป้าวนอกพระธรรมนานด้วยเสียนกลาวกลาว รธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นหันธรรมยังสังคาพิตุติงกะโรมาเซโยอิโซ ส, สุปติปันปะขาวโตวากะสังโคสรงสาวก ภาพเจ้านั้นมูใดปาฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนสาวากะสังโฆสงสาวกภาพเจ้าหมูใดปาฏิบัติตรงแล้ว ยายปฏิปันโนสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิพราภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนภะขวะโตว่ากะสังโฆสงสาวกของพระผูมพระภาพเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้บุคคลเหล่านี้คือ ชาตตาลิปุริสายุคานิตบปุริสปุคลาสีคโคเลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระขาวตุวกสังโคสงสาวกของพระภูม พระพากเจ้าอาหูนาโยเป็นสงศกาลาที่เขานำบูชาป้าหูนาโยเป็นสงศกาลาที่เขาจัดต้นลับทักขีนายโยเป็นผู้ สีนาทานอัญชเดการณเโยเป็นผู้เที่ยบุคคลทั่วไปฉริอนุตตารางปุลเกตังโลกาาัสสาเป็นเนื้อนาบุญไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ตามหมงสังขังย า, ยามี้าพระเจ้าบุญอย่างยิ่งจะพาะพระหมู่นานตาแมงอ า, ามีอาพระเจ้าพระสงฆ์มู่นานด้วยเสียนกล้าวกลาบ พระสง์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านั่งพระเพียบลงเปิดไปที่หน้าหกสิบสี่พิจารณาสังขารว่าช้าๆพอดีพอดีอดสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่าง จิตใจและรูปนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดดับไปมีแล้วหายไปสาบเพ่งทุกข์าสร้างขานคือจิตใจ และรูปรามนามตั้งหมดทางสิ้นมันทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วตายไปสาพเพศอะนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งที่สังขาร ทั้งบทตั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถวนหรือว่าเร า, าของเราว่าตัวว่ า, วาของเราอาทุวางชีวิตวต่างไม่ยั่งยืนทุวางมรณ ะ, ะความตายเป็น ยังยืนอาวาตสังมายามาฤตาพังมาลานะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีามเป็นที่สุดลอบชีวิตต่างเมอนิยตัง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนางเมนิตตังความของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอาญากายโยล้างกายอาจิลังมิได้ตั้งอยู่นาน อาเปตาวิญญาโนชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเซสติจากนอนทับปะะ่าเต้าเองซึ่งแผ่นดินกาลิงกลังอิวาปลาดุด ทอนไม้และทอนฟืนนิราททางประโยชน์ไม่ได้เปิดไปที่หน้าเจ็ดเจ็ดกรวดน้ำตอนเช้าหันทไม่ยังสัพพปติทานคาทายโยทานามาเส บุญญาสิธานิการตาสายา น, า น, นิกาตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหฮุนตุศานานตาประมาณกาศาส ท, ทังลายไม่มีไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญ พระเจ้าได้ทำในบัดนี้แห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณาวันจ ะ, จะไม่หัางมาตาปิตาทะโยอิธาเมจาปยาทิท<ะ>อันเยมาชตาเวริโน เ อ, อจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณ พ, พ, พระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้ก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือ ท า, ท, า ท, ทานก็ดีสาธิตฐานติโลกัสสมิงเตจตุยโยนิกาปัจเจกจตุกาลาสารันตาภาวะภาวเวสต์ทั้งหลายในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม มีขันห้าขานมีขันขันเดียวมีสีข่ขานกามลางทองอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปติธานณอนุมโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปรจชานาันติเตวาเต นิเวท ย, ยงุงสัตว์เหล่าใดที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้ว <c oughs> ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ มายาธินนาณปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัตโตรวนตุเวสุขเชีว ja วิโนเขมาปะทานจะป่าปนตุเตสาจจะตังสุภา เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ประเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายตั้งปวงอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกล่ราวคือพระนิพพานความปราด ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเถิด